ช่วงเช้าๆมาก็แดดอ่อนๆก็สองมาแม้พึงแบดมีความสุขดีพูราชบุรุษเห็นราชสีแล้วก็ทูลแด่พระราชาพระราชาก็ดำเรว่าได้ยินว่าราชสีไม่สะดุ้งด้วยเสียงจึงตรัสสั่งให้ทำเสียงให้ดังเลยนด้วยเสียงกลองเสียงสังบันดอเป็นต้นราชสีก็นอนอย่างนั้นทีเดียวทรงทาให้ทรงเสียงแม้ครั้งที่สองราชสีก็นอนใช้อีกแม้ครั้งที่สามอีก ราชาสีก็เลยคิดว่าราัตรูของเรามีอยู่เอ๊ะพวกเสียงพวกนี้ไม่เลิกไม่ราสักพีหนึ่งแสดงว่าพวกนี้เป็นศัตรูเราก็เลยลุกขึ้นพะงาดด้วยเท้าทั้งสบรรลือสีหนาตเนี่ยนะเรียกว่าบรรลือสีหนาตก็คือราชาสีคำรามนั่นแหละพลนิกายทั้งหลายควานช้างเป็นต้นได้ยินเสียงบรรลือนั่นเทียวก็ลงจากพาหนะ้มีช้างเป็นต้นหนีเข้ายกพงเข้าป่าไปหมดหมู่ช้างหมูมาก็วิ่งเตลดเิดเปิดเปลงไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่นี่เนี่ ย, ยไปเล่นกับราชาสีมก็ยุ่งอย่างนี้แหละ ช้างพระที่นั่งของพระราชาก็าพาพระราชาบุกปากทึบเป็นต้นนี้ไปพระองค์ไม่สามารถจะให้ช้างพระที่นั่งหยุดได้เพราะช้างเนี่ยกลัวราชสีมากนะไม่รู้ช้างก็ไม่ยอมหยุดสากทีในที่สุดพระองค์ก็ไปเกี่ย ว, เ อ, เ, ยวเอาเกี่ยวโหนเอาเก่งไม้เสร็จแล้วก็ตกลงที่พื้นดินพระองค์ก็เสด็จโดยโดยโหนทางที่แคบเดินได้คนเดียวนะก็เรียกว่าบุญบุญมา ว, า, วาสนาส่งนะ ต่อเลยนี้ราชสีไปปะพระประเจกกับพุทธเจ้าพอถึงสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับพระประเจ ก, กพระุทธเจ้าอยู่ก็เลยถามพระประเจกกับพุทธเจ้าที่หลายาทั้งหลายณที่นั้นว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพระผู้เป็นเจ้าได้ยินเสียงบ้างไหมได้มหาภพิษเสียงอะไรพระผู้เป็นเจ้าที่แรกเสียงกลองเสียงสังเป็นต้นภายหลังเป็นเสียงราชสีพระผู้เป็นเจ้ากลัวราชสีบ้างไหมบอกไม่กลัวเสียงอะไรเลยมหาภพิษ ถ้าผู้เป็นเจ้าเนี่ยอารเพื่อจะกรธรรมข้าพเจ้ามิให้กลัวเช่นนี้ได้ไหมข้าพเจ้านี่ตกใจมากเลยนะเนี่ยสแสดงว่าใจนี่ตกใจมากกองทัพตัวนี้ตอลอดเปรืองไปหมดเรียกว่าแทบไม่เหลืออะไรแล้ว่เหลือแต่ตัวกับหัวใจแค่นี้ยแหละแม้เหลือแต่ใจตกสูง ๆ, ๆ, ๆ, ๆงต่ำตๆเนี่ยทำยังไงเนาะกันช่วยได้ไหมช่วยให้หายตกใจได้ไหมบอกอารมหาวิทยาลัยทำได้ถ้ารองบวชนะข้อแม้ต้องบวชนะถ้าบวชแล้วให้เลิกตกใจได้เออข้าพเจ้าจะบวชพระเจ้าค่ะ จากนั้นพระประเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ให้พระราชาพระองค์นั้นบวชแล้วก็ให้ศึกษาอภิสมาจาริกรวัตดโดยในที่กล่าวแล้วกนะนุ่งอย่างนี้ห่มอย่างนี้นะยืนอย่างนี้เดินอย่างนี้เข้าบิณฑบาตอย่างนี้ก็แนะนําให้ไปพระราชาเมญนั้นก็เจริญวิปัสสนาตามนัยะที่กล่าวแล้วก็อาศัยอะไรราชสีนั่นแหละเป็นตัวอย่างก็เจริญ วิปัสนาทำให้แจ้งปัจเจกับโพทิยานก็แกลบแต่งอุทานวัสีโหยะถาทาถาภลีประสัยหะราชามิคานางอภิภุยยจารีเสเวทะทปันตานิเสนาสนานิเอโกเจเรฆ า, าวิสานกัปโปบุคคลพึงเสพเสนาสนะอันสงัดเป็นผู้เดียวเที่ยวไปเช่นกับนอแรด เหมือนราชสีมีเขี้ยวเป็นกําลังคมขี่ครอบงําหมูเนื้อเที่ยวไปฉะนั้นนะก็เรียกว่าให้อยู่ที่ลีเรนเนี่ยนะให้อยู่ในที่ลีกเกรนในที่เงียบอันสงัดเที่ยวไปผู้เดียวเช่นกับนอแรตแต่เขาไม่ใช่ว่าแม้เที่ยวไปแบบขนลุกชูชันอะไรเพิ่มต้ น, ตนวาดซสดุดงหวาดผวาไม่นะองค์อาจมั่นคงเหมือนกับราชสีเช่นั้นพระราชสีผู้มีเขี้ยวเนี่ย น, นะมีเขี้ยวเป็นกําลังว่าถ้ากัดใครล้เนื้อหลุดแม่เหมือนกัน อาศัยเขี้ยวนี่แหละเรียกว่าทาทะผลีมีเขี้ยวเป็นกำลังราชสีเนี่ยนะเป็นสัตว์ที่มีความอดทนมีการฆ่าและมีเชาเร็วก็คือรวดเร็วนะราชสีมีหลายกลุ่มอันนี้หมายถึงไกรสอนราชสีเกศรก็คือไกรสอนราชสีนั่นแหละประสงค์เอาในที่นี้อย่างที่เรารู้จักการส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มสิงโตเป็นสีหธรรมดาเนี่ยนะไม่ใช่ที่ที่จะกล่าวถึงในคมภี ที่กล่าวถึงในคัมภีรทั่วไปนี่หมายถึงไกลสอนราชสีที่ไม่สะดุ้งไม่กลัวเนี่ยนไม่ใช่สิงโตทั่วๆไปในคัควิสานสุตานิเทศเนีน่ยนะที่ภาษาริบุทนิเทศเอาไว้ว่าพระปเจกษัมพุทธเจ้านั้นมีปัญญาเป็นกําลังคมขี่ครอบงําสัตว์ทั้งหลายเที่ยวไปเหมือนราชสีมีเขี่ยวเป็นกําลังปราบปรามครอบงําเนื้อทั้งหลายเที่ยวไปฉะนั้นพระปเจกสัมพุทธเจ้านั้น พึงเสพซึ่งเสนาสนะอันสงัดพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดนอแรกฉนั้นคําว่าราชสีเ น, นี่ยนะที่บอกว่ามีเขี้ยวเป็นกําลังปราบปรามครอบงําเนื้อทั้งหลายเที่ยวไปอธิบายว่าราชสีมีเขี้ยวเป็นกําลังคือมีเขี้ยวเป็นอาวุธข่มขี่ครอบงําปราบปรามกําจัดย่ำยีซึ่งาสัตว์เดรชานทั้งปวงเที่ยวไปท่องเที่ยวไปดําเนินไปเป็นไปรักษาบํารุงเยีวยาฉันใด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 คนที่กลัวคนอื่นเนี่ยก็เนื่องจากไม่มีปัญญาพอใช่ไหมพอไม่มีปัญญาพอก็ทําให้หวาดผาวาสะดุง้งเห็นสัตว์เราใดก็สะดุ้งไปหมดเห็นคนอื่นก็หวาดผาวาตก อ, กอกตกใจไปหมดผู้ที่มีปัญญาก็ไม่มีคําว่าหวาดผาวาสะดุ้งฉะนั้นคําว่าพึงเสพเสนาสะนะอันสงัดมีอธิบายว่าศีหมฤุก ร, ราชเข้าไปสู่ราวป่าอันสงัดเที่ยวไปท่องเที่ยวไ ป, วไปดําเนินไปเป็นไปรักษาบํารุงเยียวยาฉันใด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 อธิษฐานจองกรมผู้เดียวเป็นผู้เดียวเที่ยวไปท่องเที่ยวไปดำเนินไปเป็นไปรักษาบำรุงเยียวยาฉะนั้นจึงชื่อว่าเพ่งเสพเสนาสนะอันสงัดเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรกแต่คำว่าอยู่ผู้เดียวในที่นี้อยู่ด้วยมัดแปดนะไม่ใช่ว่าอยู่แต่ร่างกายเนี่ยนะร่างกายอยู่แต่คนเดียวคือการอยู่คนเดียวเนี่ยนะบางทีเนี่ยถ้าใครที่เกิดมาแล้วอยู่คนเดียวบ่อยๆนี่จะเข้าใจว่าอยู่คนเดียวเป็นยังไง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 คาถาที่39ได้ยินว่าพระราชาพระองค์หนึ่งทรงได้เมตตาฌานเท้าเธอทรงพระราชดำริว่าราชสมบัตินี้กระทำอันตรายต่อความสุขในฌานจึงสละราชสมบัติเพื่อจะรักษาฌานเอาไว้พระองค์ก็ผนวดแล้วก็ทำให้แจ้งทำปัจเจกบโพธิญาณให้แจ้งตัดอุทานเป็นคาถาว่าเมตตังอุเปกขังกรุนังวิมุตติ อาเสวามาโนมุทิตันจักกาเลสัพเพณะโลเกอวิรุชมาโนเอโกเจเรฆะวิสานกัโปโภบุคคลเสพเศภเนี่ยนะหมายถึงว่าอาเสวะอาเสวะก็คือเจริญทําให้มากนะอยู่ซึ่งเมตตาเจโตวิมุตต์หรือเมตตาวิมุตต์ครุณาวิมุตต์เนี่ยนะครุณาเจโตวิมุตต์มุทิตาเจโตวิมุตต์และอุเบกขาเจโตวิมุตต์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 ขอให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงเป็นกรุณาเสร็จแล้วท่านอธิบายเป็นอริยศาสตร์ว่าขอให้พ้นจากทุกข์คือทุกขสัตว์และสมุทัยสัตว์ขอให้มีความสุขแทงตลอดนิโรสัจจะกับมรรคสัจจะ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 ครุณาบอกขอให้ทุกคนได้ศึกษาพระธรรมนะเป็นเมตตาพระธรรมที่ศึกษาแล้วก็ขอให้เจริญทุกวันเจริญขึ้นเ จ, จริญขึ้นนะอันนี้ก็เป็นมุทิตาเนี่ยนะครับผู้ที่ศึกษาพระธรรมก็ตั้งลักษณะนี้เจริญเมตตาเจริญกรุณาเจริญมุทิตาก็ได้เนี่ยนะขอให้พ้นจากทุกข์เพราะไม่ได้รักษาศีลอันนี้ก็เป็นเป็นอะไรขอให้พ้นจากทุกข์เพราะไม่ได้รักษาศีลเป็นกรุณาเนี่ยนะ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 ความเสื world, ่อมเนี่ยนะอ่าก็เรียกว่ารู้เหตุรู้ผลปรารภถึงเหตุและผลพระปเจกพระพุทธเจ้านั้นท่านบอกว่าท่านอยู่ด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขานั่นเองทั้ง4อย่างนี่เขาเรียกว่าวิมุตเนี่ยนะเมตตาวิมุติหรือเรียกว่าเมตตาเจโตวิมุติกรุณาเจโตวิมุตมุทิตาเจโตวิมุตและอุเบกขาเจโตวิมุตเพราะพ้นจากทำทั้งหลายที่เป็นฆาศึกของตนเนี่ยนะ ก็เลยกล่าวว่าบุคคลเสびอยู่ซึ่งเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเจโตวิมุตโดยกาลอันสมควรเก่วรู้เวลานะอาเสวามานโนก็คืออบรมอยู่ซึ่งทำทั้งสาด้วยอํานาจฌานหมวด3และหมวด4 ส, ส่วนอุเบกขานั้นเป็นจตุทฌานคือเจริญเมตตาเนี่ยนะได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานกรุณามุทิตาก็ได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและ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 มานดาธนอมบุตรคนเดียวก็คือมองเห็นสัตว์ทั้งหมดเหมือนบุตรน้อยคนเดียวของตนเนี่ยนะจะรังเกียจบุตรน้อยของตัวไปทําไมเพราะนั้นก็มองเห็นว่าสัตว์ทุกทิศทั้งทิศเบื้องบนเบื้องต่ําเบื้องขวางเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องหน้าเบื้องหลังทิศทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะก็เหมือนกับบุตรน้อยคนเดียวมันคิดถึงทิศไหนใจก็เป็นสุขเนี่ยนะคิดถึงบ้านไหนเมืองไหนใจก็เป็นสุขก็เหมือนว่าคนในบ้านนั้นเมืองนั้นก็เหมือนกับลูกน้อย คนเดียวของเรานั่นแหละอันนี้แหละก็ว่าเป็นกลายเป็นว่าสัตว์ทั้งมวลไม่มีใครน่าเกลียดเลยก็ปรารถนาให้เขาประสบแต่ความสุขอันนั้นก็เป็นเมตตาเนี่ยนะและ้วก็และปฏิฆาอันก่อความโกรธในสัตว์ทั้งหลายก็ย่อมสงบประงับไปเนี่ยนะก็อย่างว่าเคยได้ยินไหมพ่อแม่ทั้งหลายถือโทษโกรธถือสาลูกตัวเองเนี่ยนะที่รักที่สุดเนี่ยนะเขาไม่ถือสาฉันใดก็มองเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีความผิดพลาดเป็นต้นก็ฉะ น, นั้นก็ไม่เก็บมาโกรธถือสาอะไรหรอก ก็ให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญเรียกว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายในโลกทั้งปวงเนี่ยนะไม่มีทิ่ไหนที่จะยังใจให้โกรธไม่มีสถานที่ใดคิดแล้วใจเป็นโทสะคิดแล้วก็มีแต่เมตตาเนี่ยนะขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายประสบแต่ความสุขและความเจริญส่วนรายละเอียดพิสดารท่านบอกว่าไปดูในอัจฉริยะคำพธีธรรมสังคีณีส่วนภาษารรบุตรนิเทศอธิบายไว้ว่า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 ทั้งหมดนะนะไม่ว่าจะเป็นทิศเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบไปด้วยเมตตาอันไพบูร์ที่เรียกว่าใจที่ประกอบไปด้วยเมตตาเป็นมหคกะตะเป็นใหญ่อประมาณนะหาประมาณมีได้ไม่มีเวนคือไม่ได้ไม่ได้แผ่ปานาติบาตออกไปใช่ไหมไม่ได้แผ่อาทินนาทานการเมสุมิชฌาจารมุสาวาตไม่ได้แผ่จิตที่เป็นบาปเป็นอกุศลไปเลย นั้นก็แปลแผ่ แ, แต่จิตที่ไม่มีเวรเป็นจิตที่ไม่ทุศีนเป็นจิตที่เป็นเมตตาเป็นความหวังดีเป็นความปรารถนาดีไม่มีความเบียดเบียนมีจิตคิดประทุษร้ายเลยเนยนะเหมือนอย่างว่าลมอ่อนๆพัดแล้วสัตว์ทั้งหลายเย็นสบายฉันใดผู้ที่ประกอบด้วยจิตใจมีเมตตาก็เหมือนกับว่าแผ่ความเย็นสบายไปในสรรพสัตว์ทั้งหลายฉันนั้นเนี่ยนะ หรือมีใจประกอบไปด้วยกรุณยมุ่งปลดเปลื้องสัตว์ให้พ้นไปจากความทุกข์แผ่เมตตาเนี่ยนะซึ่งว่าสรรพัพพะทุกขาประมูลจันตุขอให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์ทางร่างกายและจิตใจเนี่ยนะแล้วก็เจริญกรุณาที่มุ่งปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยพ้นจากความทุกข์เหมือนอย่างว่าถ้าอากาศอบอ้าวนี่จะมีความสุขไมหมเงือ่ทุ่มเลยไงนะ<ม>ก็ถือว่ามีความทุกข์ชันใดก็ขอให้พ้นจากทุกข์เหล่านั้นประสบแต่ความ ร่มเย็นอ่ะ น, นะประสบแต่ความสุขขอให้พ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงฉันใดผู้ที่มีใจประกอบด้วยกรุณาก็น้อมไปเพื่อให้สัตว์เหล่าอื่นพ้นจากทุกข์ฉันั้นแล้วก็แผ่กรุณาปรารถนาให้สัตว์พ้นจากทุกข์เนี่ยแผ่ไปทิศ ท, ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่คือทิศข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางไปตลอดโลกนั่นนะ ตลอดโลกทั้งหมดแพ่กรุณาอันนี้ไปในสัตว์ทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานมีใจประกอบไปด้วยเมตฆด้วยกรุณาอันไพ่บู์เป็นใจที่กว้างใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่เรียกว่ามีใจประกอบด้วยกรุณา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 ทั่วทุกทิศในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบไปด้วยมุทิตาส่วนอุเบกหาก็คื อ, อนนะว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตนเนี่ยนะใครปฏิบัติในทางแห่งความเจริญผู้นั้นก็จะประสบแต่ความเจริญตลอดไปกว่าก็ปรารบว่าเออทุกคนอยู่ในทางลาเนินของตัวนะอยู่ตามการกระทําของตัวด้วยใจที่ประกอบไปด้วยอุเบกขาอันนี้ไปในทิศที่หนึ่งที่สองที่สามที่4ทิศเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวาง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 ตนก็ไม่เป็นที่เกลียดชังของสัตว์ทั้งหลายด้วยนะเนี่ยนี้ด้วยอนุภาพของเมตตาเนี่ยนะคำว่าอันสัตว์โลกทั้งมวลม่ได้เกลียดชังความว่าสัตว์โลกทั้งหมดม่ได้เกลียบไม่ได้โกรธม่ได้เสียดสีไม่ได้กระทบกระทั่งเพราะฉะนั้นเชื่อว่าอันสัตว์โลกทั้งมวลม่ได้เกลียดชังพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดหน่อแรกฉะนั้นอันนี้คือพระประเจรพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านอยู่ด้วย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 ใช่แล้วก็เจริญวิปัสนาเพื่อแทงตลอดธรรมที่เป็นอุปธิวิเวกนะเที่ยวไปด้วยอริยมรรคเหมือนนอแรกฉะนั้นเนี่ย น, ะ น, นี้ก็เป็นคาถาที่39เรียกว่าอัปปมัญญาคาถาวรนานาจบเนี่ยนะ